ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจสักทีในความต้องกลางความรักเคยชินบอบบางเหมือนไม่มีอยู่จริงและฉันคิดว่ามันคงยังไม่ใช่เลยเบื่ใจถ้าเข้ามือพิงพักใจที่เพิ่งจะโดนทิ้งแค่พอมีแรงไววแตกเกิดเป็นความรัก ทำไมฉันนั้นดูไปไปใครจะไปรู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตอนไห น, นรู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้วและฉันก็ไม่กล้าต้องคิดถึงเธ อ, อยังคนบ้าจ<รอ>จุๆใจก็เพิม่ม ว่าจะไวแต่สุดท้ายเธอไม่ไว้แค่ที่พักที่รักเธอหมดใจให้ทำแช่นน้พาะว่าเาอนใจก็ไม่ทันแล้วแรกแรกแค่ที่ปรึกษาตอนที่ใจจะมีปัญหาแต่พอได้คุยกันจุกเวลาจะไมในใจจะมีคำถามว่าทำไมเธอ ว่าไม่ไง่ายได้ก็รทีเรานนั้นควรจะรักใครแตพอเอาจริงนี่กว่านี้ยัยกับเปเชิญรักจะไปทังใจเป็นยังไได้ไงก็ไม่รู้ทอใจก็ไม่ทัน เป็นความรักขึ้นได้ยังไงยังงงหัวใจตัวเองอยูอ่เหมือนกันว่าทำไมฉันนั้นถูกแปลกไปใกลจะไปรู้ว่าความรักมันจะกิดขึ้นตอนไห น, นรู้โดยที่ก็รักเธอไปแล้วและฉันคงไม่คลา้า But i the end, t o didn't c e